เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาโตภะวตาธรรมโมแปลว่าเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วคือเป็นความจริงทุกประการไม่ว่าจะเป็นธรรมฝ่ายเหตุเช่นบุญหรือบาป หรือ ก, กรรมการกระทำต่างๆและผลคือสวรรค์นรกอบายการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วไม่สูญตายแล้วไปเกิดใหม่และการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาสั่งสอนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเป็นความจริงทุกประการคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมบทเป็นความจริงทั้งนั้นเป็นอ สันดิทิโกเป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถพิสูจน์ได้โดยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยสมัยพระพุทธการ ก็มีสวรรค์มีนรกมีบุญมีบาปมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสมัยปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันสมัยอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็จะมีเหมือนกันความจริงเหล่านี้ไม่มีวนันสูญหาย <c oughs> ไม่มีวันหมดไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรโ้และมาประกาศสอนพระธรรมกี่พระองค์ก็จะสอนความจริงเหล่า น, นี้ทั้งนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสอนเหมือนก่อนหมดสอนให้ละการกระทําบาปทั้งปวง สอนให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่เป็นเหตุของความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเหเป็นเหตุของความสุขและความเจริญที่พระพุทธเจ้าแต่ับพระองค์ได้ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองแล้ว ด้วยสันดิโกโ ก, ก็คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นผลจะรู้เรื่องราวต่างๆรู้ว่าบุญนี้มีจริงรู้ว่าบาปนี้มีจริงรู้ว่าผลของบุญคือสวรรค์คือความสุขความเจริญของจิตใจมีจริง หรือว่าผลของบาปคืออบายนรกมีจริงหรือว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเพื่อไปใช้บุญใช้บาปแล้วกลับมาเกิดเพื่อมาทาบุญทาบาปมาอีกนะรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะตัดสรู้กันเมื่อรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไปเพื่อผู้ที่ไม่รู้ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าส่งได้รับประโยชน์ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่น้อมนาเอาไปปฏิบัติเมื่อไม่น้อมเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไปทําบุญทําบาป ตามความรู้สึกนึกคิดของตนวันไหนอารมณ์ดีก็ทำบุญวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ทำบาววันไหนอยากได้อะไรก็ไปทําตามความอยากโดยไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้มีผลดีผลเสียอย่างไรแต่ทำไปตามความรู้สึกนึกคิด แล้วก็ต้องไปรับผลของการกระทําตามความรู้สึกนึกคิดนั้นถ้าทําบาปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจตามมาเกิดความไม่สบายใจเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดภาวะหวาดวิตกหวาดกลัวกับ ผลของบาปที่ตนได้ทำไว้และหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลบาปที่ทำไว้อีกแต่ผู้กระทำบาปนี้จะไม่รู้ว่าตายไปแล้วนั้นยังต้องไปรับผลบาปอีกเพราะคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย ผู้กระทำบาปเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปร่างกายก็จะสลายไปกลับคืนสู่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบาปต่อไปผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีผู้ที่ไปรับผลบาปก็คิดว่าตายแล้วศูน ตายแล้วจบไม่มีผลอะไรอีกต่อไปก็เลยไม่ค่อยกลัวกับการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนั้นจะทำให้เกิดความสุขหรือความพอใจในเบื้องต้นแต่จะมีความไม่พอไม่สบายใจตามมา และจะต้องไปเกิดในอบายอีกหลังจากที่ตายไปแล้วคนที่ไม่ได้พบกับพระทาคําสอนของพระพุทธเจ้าคนที่พบแล้วไม่เชื่อข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่กลัวการกระทาบาปเพราะเห็นว่า บางทีทำบาปแล้วก็ยังสามารถเดินหนีการถูกลงโทษได้ถ้าเป็นการลงโทษทางร่างกายเช่นไปทำบาปทำผิดกฎหมายก็หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือถูกจับก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องไปรับโทษได้ ก็เลยไม่กลัวกับการกระทำบาปเพราะไม่เห็นว่าหลังจากที่ตายไปแล้วนั้นยังต้องไปรับผลบาปอีกเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานทำไมเขาถึงมาเกิดเป็นเดรัจฉานทำไมเขาไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ ถ้าไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ว่าเดลฉานี่เขาเป็นผู้ที่ไปกระทำบาปในขณะที่เขาเป็นมนุษย์อยู่แล้วหลังจากที่ร่างกายของมนุษย์นั้นตายไปใจของเขานั้นที่ได้ทำบาปก็ต้องไปรับผลบาป เพราะใจเขาไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจของมนุษย์นี้เป็นใจที่ไม่กระทำบาปคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปผดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเป็นมนุษย์อยู่แต่ไปกระทำบาปเช่นไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปด ไปเดิมสุรายาเมาถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ได้กลายเป็นเดนรัจฉานไปแล้วใบทีละนิดเธอหน่อยคือไม่ได้เป็นทีทันทีร้อยเอร์เซ็นตจากการเป็นมนุษย์1้อยเปอร์เซ็นก็เหลือเก้าสิบเก้าเป็นเดนรัจฉานหนึ่งเอร์เซ็นถ้าทำซ้ำบ่อย ความเป็นมนุษย์ก็จะน้อยลงไปความเป็นเดรัจฉานก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอร่างกายของมนุษย์ตายไปใจที่เป็นเดรัจฉานก็จะไปรับร่างกายของเดรัจฉานเนี่ยทำไมเราจึงมีสัตว์เดรัจฉานกันเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขา กระทำบาปกันเป็นอาจินเป็นปกติสัตว์ไม่มีศีลไม่มีศีหน้ามนุษย์นี้มีศีหน้ารักษาศีหน้าได้แต่สัตว์นี้เขารักษาศีหน้าไม่ได้เขาถึงต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานอนี่ก็คือสิ่งที่พวกเรา จะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเราจะไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะเห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติวิธีที่จะทำให้เราเห็นผู้ที่จะไปเกิดต่อผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาป หรือผู้ที่จะไปนิพพานนี้เราจะต้องเปิดตาในคือตาที่เรามีร่างกายสองร่างด้วยกันเรามีร่างกายหยาบคือร่างกายของที่เรามีกันอยู่นี้ที่มีอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำนมไฟเราเรียกร่างกายนี้ว่าร่างกายหยาบ แต่เรามีร่างกายอีกร่างหนึ่งที่เราเรียกว่าร่างทิพย์กายทิพย์เนี่ยร่างทิพย์กายทิพย์นี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายหยาบแต่มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือร่างของเราอีกร่างหนึ่งเป็นร่างทิพยนะ์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ตาของร่างกายหยาบถ้าเราอยากจะเห็นร่างทิพของเราเราต้องปิดตาหยาบของเราแล้วก็ดึงใจให้ออกจากร่างกายให้กลับเข้าไปสู่ใจคือกลับไปสู่ร่างทิพกายทิพ ตอนนี้กายทิพย์หรือร่างทิพย์ของเรามาเชื่อมติดกับร่างกายหยาบด้วยการส่งกระแสความรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้จะมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายหยาบเพื่อผู้รู้คือร่างร่างกายทิพย์นี้จะได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ที่มาสัมผ right ัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งไปให้ผู้รู้ผู้คิดเมื่อผู้รู้ผู้คิดได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผู้รัทธาก็จะเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมารู้สึกรักชังกลัวหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสเกิดความอยากได้หรือความอยากไม่ได้กับ รูเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วก็จะสั่งให้ร่างกายไปทําอะไรต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆก็สั่งให้ไปหามาบางทีหามาโดยวิธีที่ไม่ทําบาปไม่ได้ก็สั่งให้ไปทําบาปนี่แหละคือผู้ที่ทําบุญหรือทําบาป ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายอยาบนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากร่างทิพย์กายทิพย์คือผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดนี่คือกายทิพย์ผู้เป็นผู้สั่งให้กระทำอะไรต่างๆให้ร่างกายไปทำบุญหรือไปทำบาปแล้วพอทำแล้ว ผู้ที่รับผลของบุญหรือผลของบาปก็คือร่างทิพย์นี้เองร่างกายหยาบไม่มีความรับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือไม่เจ็บผู้ที่รู้นี้คือร่างทิพย์กายทิพย์นี่กายทิพย์นี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาป เพราะมีความอยากได้สิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกาย mm hmm. บางทีก็ไม่ได้ทำบาปเพราะสามารถไปเอาสิ่งที่อยากได้โดยที่ไม่ต้องทำบาป ก, ก็ไม่ได้ทำบาปบางทีก็ต้องทำบาปเพราะถ้าไม่ได้ทำบาป ก, ก็จะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ พอทำบาปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาตอนต้นก็จะเกิดความสุขก่อนเวลาได้อะไรอยากได้อะไรแล้วไปได้มาก็จะสุขถึงแม้ ว, ว่าจะไปทำบาปเพื่อจะให้ได้มาสิ่งที่อยากได้ก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขในเบื้องต้นความสุขเดียเด๋ยววความสุขแบบวันไฟได้มาแล้วก็ผ่านไป แล้วก็มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปตามมาเกิดความวิตกหวาดกลัวที่จะต้องไปรับโทษถ้าถูกจับได้ผู้ที่กระทานี้คือผู้ที่เป็นผู้สั่งและผู้ให้ร่างกายเป็นผู้กระทานี้คือใจหรือกายทิพย์นี้เองและใจหรือกายทิพย์นี้แหละเป็นผู้ที่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะกายทิพย์นี้ไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีส่วนประกอบที่จะล่มสลายเหมือนกับร่างกายหยากที่มีส่วนประกอบคือดินน้ำลมไฟ ม, มารวมตัวกันพอร่างกายหยุดทำงาน ส่วนประกอบที่ทําให้มีร่างกายก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายก็จะล่มสลายหายไปหมดกลายเป็นดินกลายเป็นน้ํากลายเป็นลมกลายเป็นไฟไปร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปพอร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทําเป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นเหมือนค้อนเหมือน มีดเป็นเหมือนปืนเวลาที่เขาจับคนที่ฆ่าผู้อื่นด้วยอาวุธปืนหรือมีดหรือค้อนเขาไม่ได้เอาอาวุธนี้ไปลงโทษแต่เขาจับคนที่ใช้อาวุธไปลงโทษแขนใดร่างกายก็เป็นเหมือนอาวุธเหมือนเครื่องมือร่างกายหยาบ กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปลงโทษผู้ที่ถูกลงโทษก็คือใจผู้รู้ผู้คิดกายทิพย์ผู้สั่งให้ผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำบาปต่างๆหรือการกระทำบุญต่างๆถ้าเราไม่เห็นกายทิพย์ไม่เห็นร่างทิพย์เราก็จะ ไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปเราก็จะไม่กลัวว่าจะต้องไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ตายไปแล้วแต่ถ้าเราได้มาพิสูจน์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิสูจน์ว่าทำคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์เห็นได้ สามารถเห็นกายทิ่เห็นผู้คิดผู้รู้นี้ได้ด้วยการเปิดตาในปิดตานอกการเปิดเปิดตาในปิดตานอกก็คือการฝึกสมาธินี่เองการนั่งสมาธิการฝึกสติควบคุมความคิดหยุดความคิดความคิดนี้เป็นตัวที่ทำให้เปิดตานอกขึ้นมา ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะปิดตานอกแล้วก็จะเปิดตาในตาทิพย์ขึ้นมาจะเห็นกายทิพย์ขึ้นมาเห็นผู้รู้ผู้คิดขึ้นมาว่าเห็นว่าไม่ได้เป็นร่างกายเป็นเอกส่วนหนึ่งเป็นเอกคนหนึ่งไม่ไม่ได้เป็นของอันเดียวกันเป็นของคนของคนละอันกัน ร่างกายเป็นอะไรไปกายทิพนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาที่กายทิพนี้ทำบุญกายทิพนี่แหละเป็นผู้ที่มีความสุขเวลาที่กายทิพทำบาปกายทิพนี่แหละเป็นผู้ที่อมีความทุกข์แล้วก็ความสุขนี่แหละที่เรียกว่าสวรรค์ ความทุกข์ของกายทิพนี้ที่เรียกว่าอบายหรือนรกการทำบาปนี้มีที่ไปอยู่สี่ที่เดียกันนอกจากเดรัจฉานแล้วก็ยังมีที่ไปอีกสามที่คือไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายและไปตกนรกเลยคือสภาพของความทุกข์ใจของกายทิพนีม้มีไม่เหมือนกันมี ต่างลักษณะกันออความทุกข์ของเดราัชานี้เกิดจากการทำบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปออคิดว่าเป็นการปกป้องรักษาชีวิตของตนเช่นฆ่าสัตว์เพื่อจะพี่จะเอาเอามาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงชีพ สัตว์เดรัจฉานเขาเป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่จะต้องฆ่าเพื่อที่จะได้กินอาหารจากสัตว์ที่เล็กกว่าแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาคิดว่ามันเป็นการยังชีพท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ทำด้วยความคิดว่าจําเป็นต้องทำอันนี้ก็เป็นเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภอันนี้ก็จะเป็นเปรตเปรตนี้ก็จะมีความทุกข์แต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยคือเปรตนี้จะมีความอยากเห็นอะไรก็อยากได้ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำบาปด้วยความโลภก็จะเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุ ร, รกาย กลัวจะกลัวจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำลายทาร้ายตนก็เลยต้องไปกำจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเช่นกำจัดสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดเออยาแมลงเออยาแมลงสาบเออยสัตว์ต่างๆที่เรากลัวที่ใจกลัวก็จะไปทำร้ายใจก็จะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัว นล้วใจท 2020, จี่เป็นนรกก็เป well, cool ็นใจที่ทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นก็จะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธเกลียดเครียดแค้นทําบาปแล้วก็ใจก็จะทุกข์จะร้อนนี่คือสภาพของใจที่เปลี่ยนไปตามอํานาจของบาปที่ได้ทำเอาไว้เ ดังนั้นการเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานภาพของจิตใจที่เกิดจากการกระทาของจิตใจเองถ้าทำบาปจิตใจก็จะร้อนจะทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกข์เพราะหลงทุกข์เพราะโลภทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะกลัว ก็จะไปเป็นจิตใจก็จะเป็นสภาพในทุกในลักษณะต่างๆกันไปส่วนทําบุญนีถ้าทาบุญทําประโยชน์ทำให้ผู้อื่นมีความสุขใจของผู้กระทาก็จะมีความสุขใจก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆไปอันนี้คือผู้ที่จะไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาป ผู้ที่จะไปเป็นสัตว์ชนิด ต, ต่างๆจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสศุลกายเป็นสัตว์นรกก็เกิดจากการทาบาปจะไปเป็นเทวดา อ, อินพรหมก็จะเกิดจากการได้ทำบุญหรือถ้าจะไปเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ก็เกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือที่มาที่ไปของจิตใจของสัตว์โลกที่เป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม บุญตามกรรมของตนกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆกันคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายคำว่าบาปแต่บางครั้งก็ถ้าใช้กับบุญกรรมก็หมายคำว่าบาปแต่ถ้าเป็นคำว่ากรรมแล้วนี้หมายถึงว่าเป็นการกระทานั่นเองการกระทำของกายทิศ ของผู้รู้ผู้คิดนี่เราเรียกว่ากรรมแล้วก็ส่งมาทางร่างกายแล้วก็มีกรรมของร่างกายแต่เป็นร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทำโดยตรงเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายจึงไม่ได้รับโทษผู้ที่ไปรับโทษหลังจากที่ตายไปแล้วก็คือใจผู้รู้ผู้คิดเรือกายทิพนี้ เป็นผู้ไปรับเพราะเป็นผู้สั่งเป็นผู้ให้กระทาเป็นผู้กระทำร่างกายหรือวาจานี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งเท้งนั้นเองเป็นเครื่องมือวาจานี้ก็เป็นเหมือนกับไมโครโฟนนี่พอใจสั่งให้ไมโครโฟนส่งเสียงไมโครโฟนนี้ก็รับเสียงแล้วก็ส่งไปที่ลําโพง วาจาคือปากของเรานี้ก็เป็นผู้รับคำสั่งจากใจใจสั่งให้พูดวาจะปากก็พูดออกมาพูดไม่ดีพูดก็เป็นบาปพูดดีก็เป็นบุญร่างกายก็เหมือนกันใจก็เป็นผู้สั่งให้ทาทําดีก็เป็นบุญทําไม่ดีก็เป็นบาปแต่ผู้ที่กระทาจริงๆคือผู้รู้ผู้คิดคือใจ ผู้สั่งร่างกายหรือวาจานี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผลของบุญเรื่องผลของบาปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้แล้วนำเอามาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราเพราะพวกเรานี้ไม่เคยเปิดตาในกันจึงไม่เคยเห็นกายทิพย์กันเห็นแต่กายยาบเปิดแต่เปิดแต่ตายาบตาเนื้อก็เลยเห็นแต่ร่างกายแล้วก็เห็นสิ่งที่ตาเนื้อเห็นก็คือรูปต่างๆเท่านั้นเองไม่เคยเห็นตาหน ไม่เคยเห็นกายทิพย์กายในก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปดังนั้นในเบื้องต้นเมื่อได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ควรที่จะกระทาถ้าเป็นคนฉลาดก็คือศึกษาแล้วพิจารณาดูตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสอนนั้นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าก็สรงสอนว่ามีวิธีพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้บังคับให้เชื่อเพียงอย่างให้เชื่อแล้วจบพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เชื่อคำสอนของไทยให้ฟังหูว้ายหู เคยฟังแล้วอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดหรือสิ่งที่ใครพูดนี้มีเป็นเป็นจริงหรือไม่เช่นมีคนมาบอกว่าอมีร้านอาหารอยู่ที่อถนนนั้นถนนนี้มีอาหารที่น่ารับประทาน พอฟังแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่าไม่จริงโกหกหรืออย่าไปเชื่อว่าจริงเพราะเรายังไม่รู้อย่างที่โบราณเขาพูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพอเขาพูดแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงสถานที่ที่เขาพูดนั้นมีจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูเราก็ต้องไปที่ สถานที่นั้นตามที่เขาบอกไปที่ถนนนั้นไปที่บ้านเลขที่นั้นพอไปถึงแล้วก็จะเห็นว่าตรงนั้นมีร้านอาหารที่มีอาหารที่ อ, ร, อร่อยขายหรือไม่อันนี้ก็เช่นเดียวกันคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำบาปแล้วต้องไปอบายทำบุญแล้วไปสวรรค์ ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้เชื่อเฉยๆเพราะเชื่อเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเชื่อแล้วต้องเอาไปพิสูจน์ดูเชื่อเพื่อเอาไปพิสูจน์อย่าพึ่งไปปฏิเสธเพราะถ้าปฏิเสธถ้าไม่เชื่ออะไรก็จบก็ไม่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง เังนั้นถ้าจะเชื่อก็เชื่อเพื่อว่าจะได้ไปพิสูจน์อีกทีว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงเชื่อแบบไม่เชื่อแบบไม่มั่นใจร้อยเซนตจะมั่นใจร้อยเอเซต์แเมื่อได้ไปเห็นสิ่งที่เขาบอกไว้ว่าอยู่ที่ตรงนั้นจริงๆมีจริงๆทั้นใดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นสอนเรื่องจริงแต่เรายังไม่เห็นด้วยกับตาเรา เราก็ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาเราวิธีที่จะพิสูจน์เห็นกับตาเราเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงละแล้วจะทำให้ใจมีความสุขจะดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆได้ก็ลองไปทำดูแล้วลองเปรียบเทียบดูเวลาทาบาปแล้วรู้สึกอย่างไร ดีหรือไม่ดีเวลาไม่ทำบาปแล้วรู้สึกยังไงดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แบบแบบหยาบหยาบได้ด้วยการดูที่ใจของเราแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วนี่ยังจะต้องไปรับผลบาปอีกต่อหนึ่งอันนี้ต้องปฏิบัติลึกเข้าไปมากกว่านั้นคือต้องปิดตานอกแล้วเปิดตาในา เคยต้องฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้เท่ากับปิดตานอกปิดเรื่องของร่างกายแล้วก็เปิดตาในาเปิดรับรู้เรื่องของกายทิพย์เนอันนี้เราต้องพิสูจน์เราถึงจะเห็นเรื่องผลของบาปนี้เรายังพอเห็นนะครับถ้าเรามองที่ความรู้สึกเรื่องผลของบุญก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองที่ความรู้สึก เราก็จะเห็นเวลาเราทำบาปนี้กับการทาเวลาเราทำบุญนี้ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันเวลาทำบาปนี้ใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายเวลาเราทำบุญนี้ใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุข อ, อันนี้เป็นผลเบื้องต้นที่เราสามารถพิสูจน์ได้ แต่ผลที่ลึกกว่านั้นนี้เราต้องพิสูจน์ด้วยการาปฏิบัติจิตตภาวนาคือการทำจิตให้สงบซึ่งเป็นการกระทาที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันด้วยใจของเราที่ยังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะว่าใจของเรายังมีเชื้อของภพชาติ ที่ทำให้จิตใจของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเชื้อของพบชาติก็คือกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหมือนมเมล็ดของของของต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีมเมล็ดพอมเมล็ดตกลงไปในดินพอได้รับฝนได้รับอะไรมันก็จะงอกขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ยายนภพชาติต่างๆก็จเจริญเพราะว่ามเมล็ดของพบชาติยังมีอยู่ในใจมเมล็ดของพบชาติก็คือกิเลสหรือตัณหากิเลส ก, ก็คือความโลภโกรธหลงตัณหาก็คือความอยากสามประการได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะ ภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือสิ่งที่ยังมีอยู่ในใจใ น, ในผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่จึงทำให้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะดึงให้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไปเกิดใหม่ และก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดในอบายแล้วแต่บุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ส่วนไหนมีพลังมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะเดึงให้ไปรับผลบาปก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะเดึงให้ไปรับผลบุญก่อน แล้วพอบาปกระ บ, บุญมีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงให้ไปทางบุญหรือไปทางบาปได้ก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่จนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนคือ ละการกระทำบาปทั้งปวงทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำได้ครบทั้งสามประการใจก็จะไม่มีเชื้อของภพชาติหลงเหลืออยู่ในใจพอร่างกายตายไปก็จะไม่มีผู้ที่จะดึงใจให้ไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไป ผู้ที่ดึงไปก็คือกิเลสตัณหาเมื่อไม่มีแล้วก็เปรียบเหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมันเมื่อรถไม่มีน้ำมันรถก็จะไม่วิ่งไปไหนได้ต่อไปอันนี้ต้องเกิดจากการพิสูจน์พิสูจน์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะมีผู้ที่ มีศรัทธามีความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนําเอาไปปฏิบัติตามจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระสาวกนี้เป็นผู้ที่ไม่รู้มาก่อนไม่รู้แต่พอได้ยินได้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าหรือฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางอ ผ่านทางหนังสือหรือผ่านทางสื่อต่างๆแล้วพอเชื่อแล้วน้อานำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติตามก็จะรู้ใจเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งรู้ส่งเห็นและได้รับผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับผลก็คือได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่ที่พระนิพพานได้ทำจิตให้เป็นนิพพาน จิตมิพานก็คือจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อของภพชาติต่างๆก็เกิดจากการมีศรัทธาความเชือ่อแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่เชื่ออย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัตินี้จะไม่เกิดผลขึ้นมาผลอยู่ที่การปฏิบัติ เชื่อแต่ยังทำบาปอยู่เพราะอ้างว่ายังจำเป็นต้องทำบาปอยู่เชื่อแต่ไม่ทำบุญเพราะอ้างว่าไม่มีเงินทาบุญเอออ้างโดยสาเหตุอะไรต่างๆเชื่อว่าการชำระใจให้สะอาดบริสุ์แล้วจะทำให้ไม่ต้องมาเวียนร่ายตายเกิดอยาขี้เกียจไม่อยากจะปฏิบัติเนี่ยไม่อยากจะชำระใจ ถ้าเชื่อแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดผลผลจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องเกิดจากการปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนที่เหตุเป็นหลักสอนให้เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ทรงได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รู้ได้เห็นได้รับเช่นเดียวกันอย่างนั้นพอเราได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วเราเชื่อว่าเป็นความจริงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดความจริงพระพุทธเจ้าไม่พูดปลดเราก็ลองปฏิบัติตามคําสอนดู่เหมือนกับเวลาที่เราไป รักษาตัวที่โรงพยาบาลไปหาหมอเราไม่สบายหมอก็วิฉัยโรคของเราแล้วก็ให้ยามารับประทานหมอบอกถ้ารับประทานยาตามที่หมอสั่งเดี๋ยวโรคภัยใค่เจ็บก็จะหายไปถ้าเราไปหาหมอแล้วเรารับยามาแล้วแต่เราไม่รับประทานยาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร โครคภัยแค่เจ็บที่เราเป็นอยู่จะหายหรือไม่หายเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าเราเอาอยาที่หมอให้มานี้รับประทานไปเราก็จะได้รู้ว่าหมอนี่รู้จริงหรือไม่จริงยาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคของเราได้หรือไม่ได้เราต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งพอรับประทานแล้วเราก็จะรู้ถ้าเป็นยาที่หมอ สั่งถูกตรงกับโลกหมอวิหมอวิเคราะห์โรคถูกต้องโรคภัยก็หายไปก็แสดงว่าหมอรู้จริงเห็นจริง เ, ออเราก็จะหายสงสัยว่าหมอคนนี้ออรู้หรือไม่รูออ้แต่ถ้าเราเอายามารับประทานแล้วโรคไม่หายนี่เราก็จะได้รู้ว่าหมอนี้ไม่รู้จริง เ, ออเราก็ ไม่ต้องไปหาหมอคนนี้อีกก็ได้เพราะหาอีกก็เดี๋ยวก็ไม่หายอีกเพราะอาจจะเป็นหมอปลอมก็ได้อย่างนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่สอนเรานี่เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงหรือไม่ก็ต่อเมื่อเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้หรือไม่ ถ้าได้ผลจริงก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเรามีผู้ที่มาคอยยืนยันมีคนไข้ที่รับยาจากพระพุทธเจ้าแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมากก็คือพระอาหารหันตสาวกต่างๆเนี่ยพระอาหารหันตสาวกแต่ละพระองค์นี้มาปรากฏขึ้นมาในโลกได้ก็เพราะอานาจของคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เลยฉะนั้นการมีพระอาหารหันตสาวกเป็นจํานวนมากนี่จึงเหมือนกับว่าเป็นการยืนยันในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงทั้งทุกประการผู้ที่น้อมนำเอาไปฏิบัตินี่ให้มีความมั่นใจได้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้รับผลอย่างแน่นอน จะได้มากได้น้อยได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่การปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั้นอีกทีหนึง่งว่าปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่อันนี้จึงมีทําให้มีการาบรรลุธรรมในระยะเวลาต่างกันไปบางท่านก็บรรลุได้ภายในขณะที่ฟังธรำเลย บางท่านก็ต้องใช้เวลาเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการน้อมนำเอาไปปฏิบัติของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านว่ามีความสามารถไม่เท่าเทียมกันนั่นเองแต่ความจริงของพระพุทธเจ้านี้เป็นจริงทั้งนั้นทำให้ได้บรรลุผลอย่างแน่นอนในการปฏิบัติ แ ต, แต่ช้าเร็วนี้อยู่ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเองนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องน้อมนำเอาไปพิสูจน์และเราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทุกประการถ้าเราไม่น้อมนำเอาไปปฏิบัติไปพิสูจน์ เราก็จะไม่มีวันรู้เราก็จะสงสัยไปเรื่อยๆจนวันตายไปเนีย่ยงั้นถ้าอยากจะกำจัดความไม่มั่นใจความสงสัยหรือความยังไม่แน่ใจก็ต้องปฏิบัติเท้งนั้นแล้วก็จะได้รู้และก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติเนีย่ยงั้นขอให้พวกเราพยายามละการกระทำบาปทั้งปวงละการฆ่าสัตว์ รลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดื่มชวลายาเมาและอบายามุขต่างๆที่เป็นเหตุที่จะส่งเสริมให้ไปกระทำบาป ค, คือนะองจากการดื่มชวลายาเมาแล้วก็ต้องละเว้นจากการเล่นการพนันการเที่ยวเตรหาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงไปดูการละเล่นต่างๆ ละเว้นจากการคบคนไม่ดีคนที่ชอบเที่ยวเตะคนที่ชอบเล่นการพนันเป็นมิตรนละเว้นจากความเกียจคร้านเพราะอบายมุกนี้จะทำให้ให้ให้ต้องไปทำบาปต่อไปเพราะอบายมุกนี้ไม่ได้เสริมสร้างรายได้มีแต่จำมีแต่รายจ่าย เมื่อมีแต่รายจา่ายไม่มีรายได้ต่อไปทรัพย์ที่มีอยู่ก็จะต้องหมดพอหมดแล้วไม่มีความสามารถที่จะหาทรัพย์ได้โดยวิธีสุจริตก็ต้องไปหาทรัพย์โดยวิธีทำบาปนะเช่นไปรักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเป็นต้นแต่ถ้าไม่เสพอบายามุขนี่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้ก็จะไม่ ไม่หายไปได้ง่ายอย่างรวดเร็วออก็จะสามารถไม่ทำบาปได้เพราะจะมีทรัพย์ไว้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้ก็จะมีก็จะเก็บไว้ไดออ้แล้วก็จะมีเวลาไปหาทรัพย์มีเวลาไปทำงานออถ้าไปเสพอบายามุขเป็นอา จ, จินนี่ก็จะไม่มีเวลาไปทำงานไม่ไม่มีเวลาไปหารายไดออ้ก็มีแต่รายจ่าย ไม่ช้ก็เร็วก็ต้องไปทําบาปจนได้ฉะนั้นขอให้มะละการกระทําบาปและอบายมุกเพื่อให้เพื่อให้จิตใจมีความสุขปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปต่างๆแล้วตายไปก็จะปิดประตูอบายได้ตายไปถ้าไม่ได้ทําบาปเลยหรือว่าทําบาปน้อยกว่าทําบุญเวลาตายไปมีบุญมากกว่ามีบาปเนี่ย บุญก็จะดึงไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนบาปนี้จะไม่มีกำลังที่จะดึงไปให้ไปเกิดในอบายถ้ามีบุญมากกว่าบาปถ้าไม่มีบาปเลยได้ยิ่งดีใหญ่ยิ่งปลอดภัยถึงแม้ไม่มีบุญแต่ถ้าไม่มีบาปก็ไม่ต้องไปอบายก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ แต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญมาทำบาปอยู่เรื่อยๆก็ต้องไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่ยังไม่ได้รับการกำจัดจากการละการกระทำบาปหรือการละการหรือการกระทำบุญ การละบาปนี้ยังไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาได้การทําบุญก็ไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาจะหมดไปก็ต้องเกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชําระใจนี้เราเรียกว่าภาวนามีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสามถภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบ ให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก่อนขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยอันนี้เป็นการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรต้องใช้การภาวนาเท่านั้นการไม่ทําบาปอย่างเดียวไม่พอเช่นการถือศีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองรอยี่ิบเจ็ดนี้ยังไม่ได้ทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ได้การทําบุญด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําให้ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆบมดไปจากใจได้ต้องชำระใจด้วยการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นก็ต้องใช้สมถะภาวนาก่อนการจเจริญสมถะภาวนาก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆไว้ชั่วคราว สิ่งที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราวก็คือสติสติก็คือการระลึกรู้ให้ระลึกการระลึกยุทอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นร ะ, ะลึกยุรู้อยู่กับคําบริกรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการมีสติถ้าร ะ, ะลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ เมื่อไม่คิดถึงนเรืองราวต่างๆความอยากต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่คือการฝึกจิต ด, ด้วยการเจริญสติสติถ้าไม่มีถ้ามีสติแล้วก็ไม่ต้องใช้คาบริกรรมเพียงแต่เราลึกรู้ว่าไม่ให้คิดมันก็จะไม่คิดคือสั่งให้จิตไม่คิดได้ก็แสดงว่ามีสติ ถ้ายังสั่งให้จิตหยุดคิดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็จะต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราจะสามารถระลึกรู้อยู่ได้ น, นี้มีอยู่สี่สิบเรื่องด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเนี่ยกรรมสกรรมฐานก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราระลึกถึงเช่นระลึกถึง ชื่อของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพุทธานุสติให้มีสติให้ละเลิกรู้อยู่กับชื่อของพระพุทธเจ้าหรือจะละลิกละเลิกรู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้ก็ให้สวดบทอิติปิโสไปอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอันนี้ก็เป็นการฝึกสติการทําวัดช้าวัดเย็นไหวพระสวดวัวนวนี้ก็เป็นอุบาย ของการฝึกสตินั่นเองถ้าไม่มาทาวัดเช้าวัดเย็นก็อาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามาทาวัดเช้าวัดเย็นมาสวดมนต์ช่วงที่สวดก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความอยากจะไปทำอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้คนที่สวดมนต์หรือคนที่เรเลึกรู้อยู่เรื่อยๆ ก็จะเป็นคนที่ไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรมากเพราะสามารถควบคุมความอยากที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วเมื่อใจไม่ต้องคิดมากเมื่อใจหยุดคิดได้ใจก็จะสงบเย็ยนมีความสุขแตการที่จะทำให้ใจสงบเย็ยนได้นี้จะต้องนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆร่า ง, งกายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งตามได้ แต่ในชีวิตประจำวันนี้เราจะนั่งทั้งวันไม่ได้เราจะไม่มีเวลาแต่เราสามารถฝึกสติได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในท่านั่งการฝึกสตินี้เราสามารถฝึกได้ในทุกอิริยาบถตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้ น, นมาเราก็ควรที่จะใช้เวลาอันมีค่านี้มาให้กับการฝึกสติทันทีแค่ลืมตาขึ้นมาก็เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไป อย่าให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเนี่ยถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอรู้แล้วว่าต้องไปทําอะไรพอคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธใหม่คอยควบคุมความคิดไว้ให้ได้เพราะถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะสงบไม่ได้ใจจะนิ่งไม่ได้ใจจะเป็นสมาธิไม่ได้ ใจจะไม่มีความสุขจากการนั่งสมาธิถ้าไม่มีความสุขเดี๋ยวก็สู้ความอยากไม่ได้พอเกิดความอยากขึ้นมาให้ไปหาความสุขอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะต้องไปทำเพราะทนความทรมานใจไม่ได้เวลาเกิดความอยากแล้วมันจะทรมานใจแต่ถ้าเราฝึกสมาธิจนทําจิตให้นิ่งสงบได้จิตจะมีความสุขในตัวเอง เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดความทรมานใจขึ้นมาเราก็สามารถสั่งให้ใจหยุดได้หยุดคิดหยุดอยากได้หยุดความทรมานใจได้เพราะเราเคยหยุดมันมาแล้วโดยการเข้าสู่สมาธินนี้คือความสําคัญของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไปขั้นที่สองคือไปสอนใจให้เห็นว่า ตัวที่เป็นปัญหาตัวที่เป็นโทษกับเราก็คือความอยากต่างๆถึงแม้จะรู้ว่าเป็นโทษแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีกาลังที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สู้มันไม่ได้ต้องยอมแพ้ต้องไปทำตามความอยากถ้าทำตามความอยากความอยากก็จะไม่มีวันหมดไปจากใจความอยากจะหมดไปจากใจก็ต่อเมื่อเราไม่ทาตามความอยาก ทุกครั้งที่มันอยากให้เราทำอะไรแล้วเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดไปในที่สุดงั้นขั้นต้นเราต้องฝึกสติให้มากๆฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยและเวลาไหนที่เราว่างก็ให้นั่งหลับตาทันทีนั่งแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธต่อก็ได้หรือจะมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้าดูลมหายใจเขาออกก็เรียกว่าอาณาปานสติมีสติแล้วเลือกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกให้รู้อยู่ตรงจุดเข้าออกคือที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียด หายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันลมละเอียดจนไม่รู้มองไม่เห็นก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องกลัวว่าจะตายไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าออกถ้าดูไปต่อไปจิตก็จะเนิ่งสงบเองแล้วจิตก็จะมีความสุข จะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่เราสอสามารถควบคุมบังครับให้อยู่กับเราได้ทุกครั้งที่เราต้องการเราก็เพียงทําใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเอตุนั้นเบื้ อ, องต้นเราต้องฝึกทําใจให้สงบให้ชํานานก่อนสามารถสั่งให้มันสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการและสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าได้แล้วขั้นต่อไปก็เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ให้ออกมาสอนใจ ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงมันเป็นความสุขแบบควันไฟความสุขชั่วคราวแล้วมันก็จะทำให้เราหิวโหยอยากจะได้มันอีกแล้วถ้าเราไม่ได้เรามันก็จะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาทรมนานใจก็ให้เห็นว่าความสุขที่เราได้จากความอยากเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราเก็บไว้ไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันจะทำให้เราทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปหามันไม่ไปไม่ไปอยากได้มันมันถึงแม้มันจะอยากความอยากจะชวนให้เราไปเอาเราก็ไม่เอาฝืนความอยากไปทำใจให้สงบดีกว่าแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็จะไม่มีเชื้อของภพของชาติจะไม่มีผู้ที่จะเดิงให้ใจไปกลับไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไปรับผลบุญผลมาใหม่อีกต่อไปนี่เกิดเป็นขั้นขั้นปฏิบัติขั้นสูงสุดขั้นสุดท้ายของการพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าว่านิพพานนี้มีจริง การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงว่านิพพานนี้เป็นมรรมาสุขอย่างยิ่งก็จะรู้ว่ามีจริงไม่สงสัยถ้าลองได้พิสูจน์ได้ปฏิบัติเราจะไม่สงสัยอย่างแน่นอนเราจะสามารถเป็นผู้ที่มายืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งเป็นผู้ที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อนหนึ่ง พอพระพุทธเจ้านั่นก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากแปดสิบปีท่านก็ต้องละสังขารไปก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่รับคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปพิสูจน์เมื่อได้พิสูจน์เห็นชัดแล้วว่าเป็นความจริงก็จะนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งนี่คือวิธีการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ ยุคที่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นประกาศพระธรรมคําสอนก็มีผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมนาเอาไปปฏิบัติไปพิสูจน์จนเห็นชัดจนได้รับผลอย่างชัดเจนก็นําเอาอผลที่ได้รับความรู้ที่ได้รับนี้มาเผยแผ่สั่งสอนต่อผู้อื่นอีกต่อหนึ่งพระพุทธศาสนาก็เลยยังอยู่กับโลกนี้อยู่ได้จนถึงปัจป จ, จุบันนี้ พอมีการศึกษามีการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าและมีการนําเอาเผยเผยแผ่ต่อผู้อื่นนี่คือความเจริญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การเผยแพร่ตามใดถ้ายังมีการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่อยู่ตามนั้นก็ยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่อย่างแน่นอน และจะได้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการกระทําบาปต่างๆอยู่ก็จะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์เหล่านี้ได้นี่คือประโยชน์สุขที่พระพุทธเจ้าที่คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทําให้แก่สัตว์โลกเพวกเราเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนา ที่ได้มาพบกับพระทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้สิ่งที่วิเศษนี้หลุดจากมือเราไปควรที่จะน้อมนําเอามาพิสูจน์แล้วเราจะได้รับประโยชน์สุขเหมือนกับผู้ที่ได้น้อมนําเอามาพิสูจน์แล้วได้รับประโยชน์สุขไปแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้ เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจโตสัพเพุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโขเวนะสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังมุธาปจายโน จตารโหธัมมวทานติอายุวโนสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะของดการถามตอบ ใครอยากจะถามถามในตอนนี้ถ้าไม่อยากถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้จะอ่านคำถามให้วันนี้ทางบ้านเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ Facebook ปกติละค่ะเป็นสามร้อยห้าสิบสามคนค่ะทาง y o u t u หนึ่งร้อยสี่คนแล้วก็วิทยุสิบเอ็ดคนค่ ะ, ะก็ประมาณห้าร้อยกว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางบ้านถามก่อนเ อ, อมีเรื่องหนังสือธรรมะจากโยมปัตมาและคณะเ อ, อแจ้งเข้ามาค่ะเ อ, อแจ้งว่าขอกราบขอเข้ามาพระอาจารย์ที่ไม่ได้นําหนังสือจุลธรรมนําใจเรื่องที่สองมาถวายพระอาจารย์ด้วยตัวเองให้ทางโรงพิมพ์นําส่งพระอาจารย์หนึ่งพันเล่มและให้นําไปให้โรงพยาบาลสิริราชเจริร้อยเล่ม โรงพยาบาลเจ้าพระยาสา0ร้อยเล่มเพื่อแจกให้ผู้ป่วยได้ไปอ่านเพื่อบรรเทาทุก์มีการตอบรับดีมากเจ้าค่ะและจะดำเนินการต่อเล่มที่สิบสามเจ้าค่ะสาธุได้รับแล้วห น, หนังสือรู้สึกจะมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่คำถามจากเฟ e บุ o k ค่ะจากคุณนางการกราบนมัสการพระอาจารย์อยากถามว่าเวลาจะซื้อกระเป๋าแพงๆทาไม คิดเสียดายแต่เวลาให้ทานเป็นแสนไม่คิดเสียดายคะแสดงว่าใจเป็นอย่างไรคะเพราะใจเราฝ่ายบุญแล้วเราเห็นคุณค่าของการทำบุญมากกว่าการซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นเพราะความผลที่ได้รับทางจิตใจมันต่างกันมากเวลาทำบุญนี่ความสุขใจอิ่มใจมันมีมากกว่าการที่ใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยว มันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็หายไปแล้วเวลามองกระเป๋าทีายก็ไม่มีความสุขเหมือนตอนที่เห็นมันอยู่ในร้านแต่เวลาทําบุญเสร็จแล้วเราคิดถึงบุญที่เราทํากี่ครั้งมันก็ยังมีความสุขเหมือนกับตอนที่เราได้ไปทําในตอนนั้นนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการใช้เงินก้อนเดียวกันแต่ผลจะได้รับต่างกัน ถ้าทำบุญแล้วจะได้รับผลมากกว่าหลายเท่าหลายร้อยเท่าก็เลยทำให้จิตใจเริ่มสนใจในการทำบุญมากกว่าการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเอาเงินไปซื้ออาหารกับการไปซื้อยาเสพติดเนี่ยอาหารนี่มันมีประโยชน์กว่าทำให้ร่างกายอิ่มมีความสุข แต่ระซื้อยาเสพติดนี่มันกลับทำให้ต้องต้องเสพอยู่ได้เรื่อยเวลาไม่ได้เสพก็ทุกทรมานใจร่างกายก็สู้้อมคำถามจากครูพมศีล ส, สมาธิปัญญาจะรวมกันเป็นมัคสมังคีได้อย่างไรก็สร้างมันขึ้นมาทีละตัวสองตัวก็ทำไปเหมือนกับเรียนจะเรียนจบ มาหาอะไรนี่ก็ต้องมีครบหน่วยกิตร้อยสามสิบหน่วยกิจเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําที่ร้อยสามสิบหน่วยกิจเนี่ยเราก็เก็บไปปีละสิบห้าสิบแปดเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวสี่ปีมันก็ได้ครบการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการศีล ส, สมาธิปัญญาเราก็เริ่มเก็บไปจากง่ายไปหายากวิชาง่ายก็คือศีลรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบไปแล้วก็ พัฒนาต่ออย่างนั้นก็ไปเจริญสติไปฝึกสมาธิพอได้สมาธิก็ไปฝึกปัญญาต่อพอได้ครบมันก็จะเรียกว่าสมังเกีมันก็ครบบริบูรณ์พอครบบริบูรณ์มันก็จะทําหน้าที่กําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปคําถามจากเด็กชายเดียถ้าผมกินยาข่าพยาธถือว่าเป็นการทําปาณาติบาตไหมครับ ไม่ถือหรอว่าปเป็นการรักษาร่างกายปรญญาที้ไม่คิดว่ายังไม่มีดวงวิญญาณเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนต้นไม้แต่ไม่มีดวงวิญญาณไม่มีการรับรู้คำถามจากคุณดีเวลาที่จิตมีความเศร้าหมองเข้ามาเช่นเวลาระหว่างการปฏิบัติอยู่ก็ดีเราควรที่จะสนใจหรือพิจารณาอย่างไรดีคะ ควรจะกำจัดมันวิธีกำจัดมันก็คือใช้สติในเบื้องต้นเพราะว่าเราเผลอสติเราปล่อยให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองผลิตความเศร้าหมองขึ้นมาเราก็ต้องหยุดกิเลสหยุดความคิดพอเราพุโทโธพุทโธไปไม่นานไม่กี่นาทีความเศร้าหมองก็จะหายไปแต่มันจะหายไปชั่วคราวถ้าตราบใดเรามีสติไม่ปล่อยให้มันผลิตมันก็ไม่ผลิต แต่พอเราเพิอสติเมื่อไหร่มันก็จะผลิตความเศร้าหมองขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะกาจัดความเศร้าหมองอย่างถาวรต้องไปกาจัดที่ต้นเหตุของความเศร้าหมองคือกาจัดกิเลสตัณหาไปหยุดความอยากต่างๆแล้วต่อไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วจิตจะไม่มีวันเศร้าหมองอีกต่อไปคาถามจากคุณชนณศิริเรียนถามค่ะฟังเรื่องกายทิพย์แล้วสงสัยว่า ตอนเราสลบไปเพราะหมอวางยาสลบอยากรู้ว่ากายทิพย์เราไปที่ไหนคะไม่มีความรู้สึกคะ่ะกายทิพย์ก็หยุดรับรู้เรื่องของร่างกายชั่วคราวเหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนนี้นอนหลับกายทิพย์ก็ไม่มีสติมารับรูบร้รูปเสียงกลิ่นรสที่ผ่านมาทางร่างกา ย, ยากายทิพย์ก็อยู่ที่เดิ ม, ดามกายทิพย์ไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะกายกายทิพย์ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายถ้ามีร่างกายมันก็มีการเคลื่อนไหวจากตรงนี้ไปตรงนู้น แต่เมื่อมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีสัสดส่วนไม่มีขนาดมันก็ไม่รู้จะเคลื่อนไปตรงไหนเคลื่อนตรงไหนก็เหมือนกับไม่ได้เคลื่อนเหมือนกับความว่างเนี่ยไปที่ไหนมันก็ว่างทุกแห่งใช่ไหมสแสดงว่าความว่างมันตามเราไปแล้วเปล่าเวลาเราอยู่ตรงนี้ก็มีความว่างอยู่รอบตัวเราเวลาเราไปตรงนู้นก็มีความว่างอยู่รอบตัวเราความว่างมันไม่มีขนาดมันไม่มีที่อยู่มัน มนุมันเป็นของมันอย่างนั้นกายทิพย์ก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่ในโลกทิพย์แต่มันไม่มีที่ว่าอยู่ตรงจุดที่นี่จุดที่พิกัดเท่าไหร่เหมือนที่เราสามารถใช้ GPS ได้ถ้าเป็นร่างกายเป็นรถเป็นบ้านนี่เราสามารถที่จะใช้ GPS จับมันได้ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแต่จิตนี่ไม่มี GPS ให้เกาะให้จับได้จิตอยู่ในโลกทิพย์ แสดงว่าในโลกทนี้จิตสามารถามีสุขหรือมีทุกข์นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตการเคลื่อนไหวของจิตก็คือความสุขหรือวความทุกข์ของจิตของกายทิพคําถามจากคุณวชิระภัยสรรอยากถามว่าตอนท่านอาจารย์อยู่วัดป่าบ้านตาดห้าปีไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ที่กุติแล้ววันวันทำอะไรบ้างครับอย่างคนทั่วไปเดี๋ยวเปิดดูทีวี คุยกับเพื่อนออกไปข้างนอกฟังวิทยุไปร้านกาแฟคุยกับแฟนคุยกับลูกแล้วตอนพระอาจารย์อยู่ที่วัดนั่งนิ่งๆอยู่ในกุฏิทั้งวันได้หรือครับกระผมอยากทราบเป็นแนวทางเผื่อกระผมอาจได้บวชจะได้ทําตามพระอาจารย์บ้างครับก็นั่งสลับกับเดินไงถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินแต่เดินแบบมีสตินั่งแบบมีสติไม่ปล่อยให้ใจลอยคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ นอกจากนั่งกับเดินแล้วก็ยังมีหน้าที่การงานต้องทําเช่นไปบินธบาตปัดกวาดกวาดถูศาลา <c oughs> เมื่อถึงเวลาก็ทกกรรํากิจกรรมต่างๆกิจวัตรต่างๆตามหน้าที่ไปพอไม่มีกิจวัตรต้องทําก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญานี่คือหน้าที่ของพระของนักบวช อยกเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการทานมังสวิรัติกับไม่ทานมีผลต่อการปฏิบัติแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะมีมีผลเหมือนกันมันเป็นอุจจาระเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีผลต่างเรื่องของการจะรับประทานมังสะหรือไม่รับประทานมังสะมันจะไปต่างตรงที่เราฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าฆ่าก็มีผลบาปเป็นบาปถ้าไม่ฆ่าก็ไม่บาปหรือสั่งให้เขาฆ่าก็บาป สั่งให้เขาทำหรือเราทำเองก็ถือว่าบาปงนั้นถ้าเราไม่อยากจะทำบาปเราก็อย่าไปฆ่าแต่ถ้าของที่มันตายแล้วเขาขายตามถนนตามร้านปลาทอดแล้วปลามันตายไปแล้วคนอื่นฆ่าแล้วมันเราไม่เกี่ยวเราจะรับประทานมันก็เหมือนรับประทานผักเพราะมันก็ปาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันผักมันก็มาจากดินน้ำลมไฟปลามันก็กินผักกินอะไรมันถึงจะได้เป็นปลาขึ้นมา ฉะนั้นมันก็เป็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันงั้นถ้าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเราก็ไม่ได้ทำบาปมันมันมีผลต่างกันตรงนั้นที่ให้รับประทานมังสวิรัตก็สำหรับคนที่เขามีเวลาเขากินเขาต้องไปฆ่าเองอย่างงี้ถ้าเขาถือมังสวิรัตเขาก็จะได้ไม่ไม่ได้ไปฆ่า จนสมัยก่อนอาจจะไม่มีร้านขายอาหารไม่มีร้านขายคนที่อยากกินชาวนาชาวไร่เขาก็ต้องไปยิงนกตกปลาอย่างนี้แต่ถ้าเขาซื้อมังสวิรัติเขาก็ไม่ต้องไปยิงนกตกปลาเขาก็จะไม่ได้ทําบาปแต่สมัยปัจจุบันนี้เรามีร้านขายอาหารมีร้านขายอะไรต่างๆนั้นเราไปซื้อของที่ตายแล้วนี้เราก็ไม่ได้ทําบาปอยู่ดียั้นไม่มีผลต่างกันในเรื่องของการรับประทาน จะต่างกันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ว่าฆ่าหรือไม่ได้ฆ่าสั่งให้เขาฆ่าหรือไม่ได้สั่งให้เขาฆ่ า, าถึงไม่ได้ฆ่าเองเช่นไปร้านขายอาหารทะเลที่เขามีปลาสดๆนอนอยู่ในอ่างแล้วก็สั่งเอาปลาตัวนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าบาปเหมือนกันเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวถามให้เขาให้เขาถามให้เขาในในแง่เรื่องสุขภาพนะคะอย่างเช่นบางคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งต่างๆแล้วเขาบอกว่า เพราะเขาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นคนท<น>ี่ทานเนื้อสัตว์อายุอายุร้อยปีก็มีหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านอายุร้อยกว่าท่านก็ฉันเนื้อสัตว์ไปเพราะฉะนั้นมันก็อยู่แต่ร่างกายของแต่ละคนกันแล้วกั น, นร่างกายของคนบางคนอาจจะไม่ถูกกับเนื้อสัตว์เล่นรับประทานมากเกินไปเลื่อรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ถูกสุกลักษณะเช่นกินเนื้อดิบอะไรอย่างนี้ พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พักกินเนื้อที่ดิบของอาหารอาหารที่ไม่สุกนี้ไม่ให้รับประทานเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆแม้แต่ไข่นี้ก็ต้องสุกเพราะว่าคิดว่าคงจะมีเชื้อโรคอะไรบางอย่างอยู่นะยิ่งถ้าทําให้มันสุกค่าเชื้อโรคเสร็จแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหากับร่างกายพวกที่เขาชอบกินเนื้อสดๆหรือเนื้อแบบมีเลือดซิบซิบนะปูปลาแบบสุกๆดิบๆเนี่ยมันยังมีเชื้อโรคอยู่ ก็กินเข้าไปมันก็เลยติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเข้าใจแล้วก็คือพึงบริโภคอย่างมีสติมีสติมีปัญญาแล้วก็มีประมาณพอประมาอะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอดับความหิวได้อย่าลับประทานพพออเพราะเพราะอร่อยอร่อยด้วยรสชาติแต่ลับประทานเหมือนลับประทานยาร่างกายต้องการอาหารเป็นเหมือนยาทําให้ร่างกายกําจัดความไม่สบายคือความหิว แล้วก็รักษาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขให้รับประทานแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระทุกครั้งก่อนจะบริโภค อ, อาหารให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสแต่ว่าให้พิจารณาเหตุผลของการรับประทานอาหารว่าเรารับประทานอาหารไม่ใช่เพื่อความสวยงามของร่างกายไม่ใช่เพื่อสนุกสนานเฮหาปาร์ตี้แต่รับประทานเพื่อกาจัดความหิวที่เกิดขึ้น และป้องกันความหิวที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้เกิดได้ช้าลงไปเพื่อให้ชีวิตให้ร่างกายอยู่อย่างเป็นปกติสุขนี่คือวิธีการที่เราจะบริโภค อ, อย่างมีเหตุมีผลทุกครั้งก่อนจะกินต้องคิดก่อนไม่ใช่พอเห็นอาหารมาลืมแล้วกินเพื่ออะไรเห็นอาหารชอบก็สวาปามเข้าไปเลยพอสวาปามอร่อยก็ไม่หยุดดีไม่ดียังไม่ทันหมดสั่งมให้่จานก่อนนะ อย่างนั้นโดยที่ไม่ดูว่าเรากินเพื่ออะไรบางทีกินไปจานหนึ่งมันไม่หิวแล้วก็ควรจะหยุดได้แนละ้วแต่ยังไม่อิ่มพอก็เลยสั่งมาอีกจานมันก็เลยมากเกินไปกินมากเกินไปก็เลยกลายเป็นโทษเนี่ยโรคภัยต่างๆก็เกิดจากการบริโภคมากเกินไปมากกว่ามากกว่าการบริโภคอาหารชนิดนั้นชนิดนี้หรืออาหารบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่นมันเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปนีมันก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายได้ก็อย่างก็สรุปก็คือต้องบริโภคด้วยสติด้วยปัญญาแล้วชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานจะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆสาธุขอบพระคุณค่ ะ, ะถามได้เลยครับอพอดีผมก็ได้ศึกษา ด้านอของนิกายเซนนิดหน่อยแล้วก็ฟังเทป พ, พวกของวงโปไว้หลังอะไรครับก็จะเริ่มเข้าใจว่าการปฏิบัติคือจริงๆมันมันที่เขาเรียกว่าจิตเดิมแท้คือก็คือจริงๆมันมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ที่เรามองเห็นมันหรือเปล่าแต่การปฏิบัติด้วยการะจะเป็นภาวนาชนิดไหนก็แล้วแต่ ซึ่งในสภาวะหนึ่งที่รู้สึกถึงความว่างไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีความคิดเนี่ยสภาวะนี้แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนบางครั้งก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับได้ถ้ามีสติอยู่ในสภาวะไหนก็ควบคุมความคิดได้ทำให้จิตว่างได้แา่จะนิ่งส ง, งบเต็มที่หรือไม่นี่ต้องอยู่ที่ อการนั่งมากกว่าเพราะยังเดินอยู่จิตยังต้องทํางานอยู่ครับจิตยังต้องคอยคิดคอยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ก็ยังไม่ว่างเต็มที่อ่แม้แต่ตอนตอนที่เราทํางานตม้แต่ตอนนี้เราคุยเนี่ยสบายวะจิตไว่นิ่งแต่จิตอาจจะว่างจะไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้อาตาจะคิดก็คิดเรื่องที่กําลังทําอยู่แล้วก็จบไปก็ยังไม่ว่างเต็มที่ ถ้ายาว่างเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆแล้วเราต้องไปถึงความว่างถึงที่สุดยังไงฮะก็นั่นแหละก็ให้มันหยุดความคิดด้วยการใช้สติให้จิตเราเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้อยู่กับพุทธโธมันถึงจะเข้าไปสู่จุดที่สงบได้อย่างเต็มที่ครับแล้วถ้าถามในเชิงปริยัติว่าที่เรียกว่าสมมติบัญญัติก็คือทุกๆอย่างที่ที่เป็นสมมุติหม่ อ่าการจะไปแยกแยะในส่วนนั้นคือสมมติก็คือสิ่งที่มนุษย์เราคิดกันขึ้นมาเองครับที่จัตโลกคิดกันขึ้นมาเองแล้วก็ถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไปตามความคิดเช่นคิดว่า Gore เป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเป็นความคิดเป็นสมมติ ค, ความจริงแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีเขามันมีแค่ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟกับธาตุรู้คือใจเท่านั้นเองนั่นคือคือความรู้เนี่ย ผมก็จะว่าคนที่เรียนไปแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปแยกในสภาวะของจิตที่มันจะลึกไปในขนาดนั้นว่าเวลาอยู่มันไม่มันรู้แต่มันไม่ทําตามที่มันรู้มันไปทําตามที่มันหลงครับยังไปหลงว่าเอาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นเล็กเป็นโตเมันยังหลงอยู่มันน้ํามาโดนตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเย็นไม่ใช่ผิวหนังเราไมันด้บอกว่าเย็นแต่ว่าเป็นตัวรูเนี่ยตัวรูเป็นรูรูอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปรักไปชังกับความเย็นชอบเย็นหรือไม่ชอบเย็นขึ้นมาใช่ไหมครับก็ต้องฝึกเจีนให้อย่าให้ไปชอบอย่าไปชังจิตจะได้ไม่มีความอยากถ้าชอบมันก็อยากให้อยู่นานๆก็เหมือนลถลดอาหารชอบหวานเค็มเปรี้ยวครับให้สัมผัสรู้เฉยๆครูตั้งใจบอกให้สักแต่ว่ารู้สัตจิตเป็นผู้รู้เท่านั้นอย่าอย่าไปเป็นผู้อยากครับถ้าไม่ทันก็จะอยากขึ้นมาพออยากก็ทุกข์ขึ้นมาครับอืม เขต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกอีรยาพณ์ฝึกไม่ให้ยากให้รู้เฉยๆวิธีที่จะให้มันรู้เฉยๆก็ต้องให้มันรวมเป็นสมาธิครับแล้วแล้วมันจะรู้ว่ารู้เฉยๆเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นมันก็จะรู้เฉยๆได้ตามตามความเป็นจริงครับตอนนี้นถ้ายังไม่รวมมันจะไม่รู้ ม, รมันก็จะเสแสร้งรู้คิดว่าเฉยรู้เฉยๆแต่มันก็ไม่เฉยการการรู้เฉยคือแยกเขาเรียกว่าแยกสมมุติกับจิตสงบจิตปล่อยวาสมมุติทั้งอย่าง ทั้งหมดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงครับเฉยๆอ่าตัวเบรคขาอืัครับครับขอบคุณกครับส่งมาทางนี้หน่อยอ้าวทางา ข, าาข้างหลังเดี๋ยวขอโอกาสค่ะพระอาจารย์คะเวลา เ, าเาจเริญสติแต่ลอดเวลาเวลาอยู่ที่บ้านนะคะมันรู้สึกว่าจะรู้สึกตัวเองว่าเอาเริ่มจะออกแนวอึดๆไปเหมือนเป็นหุ่นหุ่นนะคะก็จะรู้ก็ไม่ทราบ ว, ว่าเราจะกลับมาภาวะปกติของเราหรือว่า ให้มันไปเริ่มเนิบๆไปเรื่อยๆอ๋อย อ, อย่าไปสนใจความรู้สึกเลยบางทีกิเลสมันหลอกมันสร้างความรู้สึกมาหลอกเราให้เราอยู่กับมีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับการที่เคลื่อนไหวของร่างกายไปส่วนอารมณ์ความรู้สึกมันก็ยังเกิดขึ้นได้เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอให้เรายึดอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกจิตก็แล้วกันจะใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไป จะใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็เฝ้ามันดูไปเฝ้าเฝ้าดูไปแล้วมันจะรู้สึกแบบไปช้าชรู้สึกตัวเองเอ๊ะมันจะเป็นหุ่นยนต์แล้วมันจะไปช้าๆ้าไปเลยๆก็ไม่ไปลายก็รู้ไปตามนั้นเปไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงกลับมาไม่อยากไปตามความรู้สึกให้กลับมาดูเฉยให้ดูเฉยเฉยให้ดูเฉยเยมันจะเป็นยังไงมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเราดูเฉยเฉยร่างกายมันไม่เปลี่ยนหรอกไอ้สิ่งที่เปลี่ยนก็ความรู้สึกของเรา กับร่างกายนั้นท่านเองพฤติกรรมอะไรก็ปล่อยมันแต่ว่าให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้ว่าเราดูร่างกายอยู่หรือเปล่าเราไม่ไปคิดอะไรหรือเปล่าการรู้สึกอันนี้เป็นฝุ่นยนต์อาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะครับงั้นอย่าไปหลงมันจะหลอกเรายัางไรค่ายลู้เฉยๆไปเออเป็นหุ่นก็เป็นหุ่นรี <c oughs> ่สําคัญคืออยู่ที่ว่าปล่อยมันได้หรือเปล่าท่านเอง พอพอพอรู้สึกอย่างนั้นก็จะดึงภาวะกลับมาว่าให้ตัวเองเป็นคนปกติจะเป็นคนแอบผิดอะค่ะถ้ามันเป็นหนจริงก็ดีสิปล่อยมันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราแคถ้ามันเห็นอย่างนั้นได้ก็ดีส่งไปทางเดียวส่งไปให้เดียวส่งไปครับเกี่ยรติมัตสุการพรูอาจารย์ครับาเวลาผมทําอานาปานสติ กำหนดลมหายใจนะครับอ่าช่วงแรกมันจะหยาบอยู่ทําไปสักพักหนึ่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจะละเอียดจนไม่รู้ว่าออกช่วงไหนละเอียดเป็นอารมณ์เดียวหลังจากนั้นครั้งหนึ่งมันเคยตกหลุมมืนไอ้พระจานทร์ว่านะครับมีครั้งเดียวแล้วก็แป๊บเดียวนะครับหลังจากต่อต่อ น, นั้นมาก็มีลักษณะอ า, าการหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ในอารมณ์เดียวนั้นไปแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาพอเกิดความรู้ขึ้นมา อ่ามันจะรู้สึกรู้สึกหนักรู้สึกหนักนีนผมคิดว่าไม่ใช่แล้วแสดงว่าผมนี่ไปจับตรงที่มันเป็นอารมณ์แน่ๆกลับไปเป็นอารมณ์เหมือนเดิมกผ ม, มเลยกลับ<ม>ครับผ ม, มเลยกลับมาดูพอผมกลับมาพิจารณาดูตัวผมจะเบาลักษณะนี้กลับไปกลับมาคือแสดงว่าผมมีความรู้สึกอยู่อารมณ์เดีย ว, วใช่ไหมครับไม่หรกักส ต, ติเรามันไม่มีกําลังพอที่จะให้อยู่กับลมอย่างเดียวมันยังไปนู่นมานี่อยู่ ทำให้มันเกาะติดกับลมมีความรู้สึกอะไรเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปให้รู้ลมว่ากําลังเข้าหรือกําลังออกหยาบดูละเอียดสั้นหรือยาวหรือไม่มีลมก็ให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ไม่มีลมให้รู้แต่อย่าไปรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นถึงเยาว่างจริงพอพอลมมันรวมกันเข้าไปแล้วไม่รู้ลมจริงๆแล้วเป็นความรู้ขึ้นมาตั้งแล้วแล้วมันมีมันเหมือนมีธรรมอะครับอาจารย์ น่าจะเป็นอุปหลุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันเหมือนเหมือนมีธรรมที่เป็นแตลัะครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดนะครับพอผมไปคิดผมจะรู้สึกว่าคิดกับรู้มันแตกต่างกันคือว่าเวลาเราไปจับเราจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ามันมันไม่ใช่พอผมดูดูประมาณว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่ไปสนใจความความที่เกิดกับขึ้นมาความรู้ที่เกิดขึ้นมาอันนี้ผมทําถูกไหมครับ <S <S ก็ให้รู้เฉย ๆ, ๆแล้วก็ปล่อยวางหรือว่ามันเกิดแล้วดับก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจ มันจะอยู่ตั้งอยู่ก็รู้มันตั้งอยู่มันดับก็รู้มันดับไปับัแต่ถ้ารู้ลมได้ก็กลับมารู้ลมต่ออย่าไปรู้สิ่งที่มาปรากฏให้รู้นอกจากลมอหมดเวลาพอดีเอาเลยคำถามหนึ่งเอาคาถามสองคำถามคำถามจาก YouTube ค่ะจากคุณสถาพร ในบทสวดมนต์มีกล่าวว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แสดงว่ากัลยาณมิตรสำคัญมากมีหลักการเลือกกัลยาณมิตรอย่างไรและจะทราบได้อย่างไรว่ากัลยาณมิตรได้จบกิจในพระศาสนาแล้วเราไม่รู้หรอกนอกจากว่าอาจจะดูโดยประมาณว่าดูความประพฤติของเขาว่าสวยงามเรียบร้อยทุกด้านทุกประการความรู้มีมากความ สามารถมีมากเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นสุดยอดของกัลยาณมิตรเนี่ยแต่เราจะไปรู้ว่าท่านบรสุดผุดพองร้อยเปอเซ็นนั่นเราไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ได้จะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้รับคำสอนจากท่านแล้วเรานำอาอกไปปฏิบัติจนเราสามารถหลุดพ้นได้ น, น, นั่นเราถึงจะรู้ว่าอ๋อท่านได้หลุดพ้นแล้ว แต่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็เพียงแต่รู้โดยประมาณรู้จากการฟังคำสอนของท่านถ้าอยากจะรู้อย่างมั่นใจก็ต้องเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติแล้วถ้าสามารถบรรลุทาได้ด้วยคำสอนของท่านอันนี้ก็แสดงว่าท่านต้องบรรลุมาแล้วท่านถึงจะมาสอนเราได้อีกข้อหนึ่งคำถามจากทางไลน์ค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์ครับ ปกติตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะรักษาสิน5้าให้ได้เป็นอย่างต่ำในชาตินี้แต่ด้วยหน้าที่การงานที่เป็นเซล์บางครั้งข้อมูลสาเป็นข้อที่ลำบากที่สุดเพราะพูดความจริงกับลูกค้าไม่ได้ทั้งหมดจะบากไหมครับที่ทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจและจะมีวิธีไหนให้เราทำได้อย่างที่ตั้งใจบ้างครับเ อ, อ๋อก็ถามลูกค้าเสร็วว่าจะให้ผมโกหกหรือพูดความจริงว่าออมีใครอยากจะให้โกหกบ้างไม่มีหรอกเราอ้างเอง เราอยากความโลภของเราอยากได้เงินเยอะๆมันก็เลยอ้างว่าจําเป็นจะต้องโกหกแล้วถามคนที่เขาถูกโกหกว่าเขายินดีให้เราโกหกหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกความจริงดีกว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อมันก็จะได้เขาจะเขาก็จะได้สบายใจถ้าเขาซื้อแล้วเขาถูกรู้ว่าก็ถูกหลอกแล้วคิดว่าวันหน้าเขาจะมาติดต่อกับเราเองหรือเปล่าเขาจะซื้อของจากเราเองหรือเปล่าแต่ถ้าเขาซื้อของจอากเราแล้วเขารู้ว่าเราไม่ได้หลอกเขานี่ ทุกครั้งก็อยากจะซื้อของอีกเขาก็จะติดต่อกับเราแล้วอย่ามองเอาผลระยะสั้นสิเอายาวดีกว่าเขาว่ากินคดหาคนเนี่ยมันกินได้สั้นๆ น, นะถ้าหาไม่คดเนี่ยมันกินได้นานกินได้ยาวกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นมองมองระยะยาวดีกว่าอยา่ามองระยะสั้นๆแค่ขายเขาครั้งเดียวนะคิดว่าเขาอาจจะไปชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาซื้อของจากเราอีกก็ได้ ถ้าเรารู้ว่าเราซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกหลอกลวงเขาให้คิดอย่างนี้เราจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงเอาล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน